ีจะเทศทั้เรื่องจิตให้ฟังอีกวันไหนประเทศเรื่องจิตเ น, นี่นะไม่เด้อื่นไกลหรอกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าร่างกายทั้งหมดเราไม่เห็นจิตเราจับจิตไม่ได้จึงยากในการปฏิบัติล้วเลี้ยงงัวเลี้ยงควายที่อยู่ในทุ่งในนา เราจับตัวไม่ได้ผูกตัวไม่อยู่มันก็ยุ่งแลยสิมันก็ไปได้ทุกแห่งทุกคนรั้ต่างๆที่เราผูกมันได้เห็นตัวมันมันยังไม่อยู่จิตก็ชนะเหมือนกันท่านเทศนาว่าถูกรังเข้ามัง เอกจรังอัศัาอยังคู่หาเสียงเยจิตตังสญญเมตตันติโมกขันติมาและบันธนาเท่ไปเนียนอย่างนี้ทุรังขมังเอกจรังอัศัาอยังคู่หาเยียงนั่นแปลภาษาไทยแล้วว่า จิตเป็นของไม่มีตูวเที่ยวไปในที่ต่างๆได้แต่หากกลับมานอนในสริระคูหาคือร่างกายอันนี้ถ้าหากใครสรั่งมจิตได้แล้วคนนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งม า, าะนใะช่ไ จิตของคนเรามันกดแกงไม่อยู่คงที่ทำามาจิตในทนี่นี้เนี่ยอย่าไปหาตัวเลยแปหาตัวไม่เห็นหรอกความคิดความนึกความรู้สึกองนนั้นะเป็นตัวจิตมันนึกมันคิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละจิต ไม่อยู่ที่สมองหรอมันอยู่ที่ประสาทไมนอยู่ที่เซลล์หรอกอะไรทั้งหมดตายไปแล้ว ม, มีเซลล์มันยังไม่เห็ น, นอยู่พคงที่ได้แล้นไม่มีเซลล์มันยังเป็นจิตอยู่ได้ไม่มีสมองมันเป็นจิตอยู่ได้เหตุนั้นความรู้สึกตรงไหน นั่นแ่ะเป็นจิตตรงนั้นนะไม่ว่าอยู่ข้างล่างข้างบนแ้่พื้นเท้าถึงศีรษะหมว่าทางส่วนมดอยู่ได้เดียกันนั้นเราไปยึดตรงไหนตรงนั้นเป็นจิตของเราเราไปยึดเห็นละไรคะนี่ไปยึดจะต้องเห็นตัวตัวมันนะตัวมันยึดกันนะ คือความรู้สึกเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นเราเรียกว่าเป็นจิตนั่นเราเรียกว่าจิตใช่ก่อนนะเราเราหาผู้คิดผู้นึกผู้ทงงายในที่ต่างๆเราหาส่วนนั้นได้เห็น แล้วหาตัวนั้นเห็นแล้วจับเอาผู้นั้นแหละผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกน่ะให้อยู่คงที่ธรรมดาสติเข้าไปควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตแล้มันรู้จักจิตมันก็ต้องอยู่ไม่รู้มันยังค่อยไม่อยู่คันรู้แล้วนั่นเชื่อกผูกจิตให้อยู่คง ท, ที่เดียว เมื่อจิตผูกตัวคงที่แล้วอาการสูงอาการแต่งทั้งหลายมันจะหายลงไปหมดโดยความสภาพเป็นจริงของมันมันจะไม่แต่งอันนี้มันถึงเขาถึงความสภาพเป็นจริงของมันไม่ได่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกนั่นจะเป็นของอยู่ตรงกลาง ไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วคิดส่งไปทั้ทงนู่นทั้งนี้อยู่ตรงกลางเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วนั่นแหะตัวใจหัวใจแท้ที่เรียกคนเราพูดทั้งใจมันต้องพูดถึงของของกลางอะไรทั้งหมดที่เขพูดถึงของกลางลว่า ต้องใจทางนั้นน่ะตรงกลางทางนั้นน่ะพูดถึงเรื่องใจตรงกลางพูดถึงหัวใจของคนก็อนใจจะตรงไหนก็อที่เขามาทำกลางอกก่นใจมือใจเท้าก็อที่ก็ตรงกลางนั่นน่ะจริงขอหน้าปลอมถ้าวหวใจแต่พูดตรงกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ให้คิดดีคิดชั่วตัวนั้นแหะตัวใจแท้ที่จิตนั้นเราคิดเราสติตามจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องของมันดีเลยเมื่อรู้เรื่องของรู้เท่ารู้ตัวของมันแล้วมันจะเข้ามาเป็นใจ จิตกับใจกัเดียวกันนั้นนีลยท่านพูดเป็นอันเดียวกันแต่ธรรมาพูดแยกออกเป็นอันทําไมท่านยังว่าจิตทําไมท่านยังว่าใจท่านอันเดียวกันทำไมพูดอันจึงไม่พูดอันเดียวอันนี้จิตก็ยังว่าจิตอยู่ใจก็ยังว่าใจอยู่เห็นไหมตรมายังคอยพูดเป็นสองอันจิตนั้นคือความคิดของมนึก ใจนั้นเป็นของกลางๆเมื่อจิตตามจิตเอเมื่อสติตามจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วมันจะรวมมัาเป็นใจสติจิตรวมมันเป็นอันเดียวเมื่อเข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นใจนี้ถ้าหากว่าถึงของจริงแล้ว มันจะเป็นเองคือมันรวมว่าเป็นเองอันท่ายังไม่รวมรวมไม่เป็นเองไม่เกิดเองเป็นเอก็ยังไม่เข้ายังไม่ชันถึงไก่แท้เป็นแต่อนโมานนั่นแหละที่ว่าเาการกกระจ่างลางสาดดังกูหฮาเสยงจิตตัวนี้แหละมันพุ่งสร้างส่งสายไปมาสารพัดทุกอย่าง รอบด้านรอบข้าตัวนี้ว่าทันไปไปก่อนแล้วเราคิดจะไปอย่างไปชี้ชังใหม่ฮีเป็นตน้นไปได้มันกลับมาลายหนแล้วมันใจมันฝ้จิตมันไปลายหดแล้วไปล้วกลับคืนมาไปถ้ากลับคืนก็ลายหนแล้วกลัวตัวจะได้ไปนั่นโอ้โหหลายลบหลายเที่ยวแล้ว ยากเือเกินเราจะดักยังไงยังไงก็ดักเถอะจะดักที่ตาก็ดักเถอะดักที่หูจะหูเลี่างกายก็ดักเอาอะไรมาดักกะดักไม่อยู่มันต้องเที่ยวไปคนเดียวเนก็จะรังเที่ยวไปคนเดียวไม่มีสริละร่างกายให้ด้วย แต่มันก็ไม่หนีจากการเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ปราดได้ก็กลับมาอยู่ที่นี่แหละมันนอนที่ที่นี่แหละกราดมาเองมันไม่มีใครบังคับวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยทีว่ากลรประกาศมาเอง อ้าหากว่าเราตั้มรวมจิตแล้วจะพ้นบ่วงแห่งมารตั้มรวมจิตตรงนี้แหละให้เข้าทึ้งใจตั้มรวมจิตได้เข้าทั้งใจมาแ ล, แล้วพ้นบ่วงทางมานั้นค้าว่ามารมาในที่นี้ท่านพูดหลายอย่างคันธถ้ามาน อิเลสมานมัจจุมารเท่บตมาสิ้นสร้างคารมานมีห้าขันธมารได้เกตตัวของเราร่างกายที่เกิดมาได้ขันห้าเรียกขันธมานทำไมจึง เ, เรียกวามาร เราเกิดึมาแล้วได้ตัวมารพร ม, มันจะพ้นจากมารได้ยังไงมารในที่นี้หมายความเป็นการเบียดเบียนเรียกว่ามารเป็นนิพพัทร์ของการเป็นอยู่อย่างการเจ็บการป่วย ทำการงานไม่ได้สุขภาพไม่เพียงพอทําการงานไม่ได้เพราะนั้นเป็นหมรเป็นม า, นารคตัวที่เกลียดทิ่ข้านก็เป็นมารําการทํางานนั้นระดับเดชรุ่งไม่ได้เพราะนั่นก็เป็นมาร์ตมนที่มันเกิดจากกายนี่แหละเรียกประมาณทั้งหมดเรียกว่าขันธ์มาร ันพูดได้อียดต่าไปเรียกว่าขั้นห้าเลยเป็นมารูปเวทนาสัญญาตขงองอางๆสัญญาเนีนเป็นมาพูดละเอียดต่งไปงั้นกิเลสจจมารกิเลสที่มันเกาะเกี่ยวอยู่ในใจของเรามันเกิดความรักเกิดความชั่งความเกลียดความโกรธระบาดทุกอย่าง ก็นะกระทบปั๊บภาวนามันเกิดปุ๊บขึ้นมาเลยทันทีมานเล น, นัน่นให้ใจสงบลงไปได้มากหมายร้ายอย่างที่เรียกว่ากิเลสสมาเนี่ที่ น, นี้ไม่เราทําดีได้ทาดีไม่ได้ตั้งใจเราภาวนาอย่างนี้แหละมันเกิดโกรธจนจะพุ่งจนหาย หายหมดเลยภาวนาในที่สังขะเทวบุตรมานะครัคือความที่จะทำด้ีเป็นต้นว่าเราจะทำบุญทำกุศลเราทำดีทำดีได้ประการต่าง จิตมันไม่ปกติใจไม่ถึงใจมันจะยุ่งจากการทำในการกระทำนี่นหะอยากทิพอยากดีอยางวิเศษวิโสอยากในสันฟ้าสวรรค์อะไรตัางๆอันนั้นเรียกว่าเทวุตตะมานทีิสังขาระมาณการใล้กันเนี่ย รวมปรุงความแสงให้ยิ่งใหญ่ทา่วิเศษวิโสคล้ายๆนั่นเนีกับเวุตมานตอนท้ายในมัจจุมาอานิทาดีทาดีไม่ได้ทาเมื่อมัจจุมาถึงอะหมดทางทำบุญทำกุศลนั้นแหละก็ไม่ได้ทำากทำกรรมก็ไม่ได้หมดแล้ หมดท่านั้นเนี่คือความตาเรียก ม, มาือมาถ้าไม่ได้ต่อไปไม่ได้เนะ่านั้นอันนี้ที่เราเรียกว่ามารหามารหานี่แหละถ้าหากคนใดไม่จำรวมใจมันจะต้องผ่านคนมันจะต้องมีก็ตักทางนั้นอนะ่ะมารหาไม่มานใดก็มานหนึ่ง จิตสารป้องกันได้ทั้งดีในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ะฉะนะในเมื่อเรามีชีวิตนั่งกายอยู่อมบูบรณ์พอดบุเรามีสติมีอุบายปัญญามีความสามารถที่จะํำระไม่ให้ใจไม่ให้จิตวุ่นวายสงสัยจนเข้าถึงใจ อันนั้นก้นจากบ่วงเชงมาคาว่าบ่วงแห่งมาในที่นี้นั้นใครใป็นคนของมันมันต้องดักอยู่ทุกด้านทุกทางดักให้อยู่ในกำมือของมันทั้งนั้ น, นถ้าพูดใเจ้าเทวทเทสนาวะ มารเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจะสำเร็จมาสูนิพานก็ชำระมารทันได้ชำระชนะมารได้อัญจามาเลชินีนะโถธรโมโสดมุตตะมังต้องชนะมารห้านี่ใช่ป่าถ้าว่าชนะในที่นี้นั่นหมายความว่า ร่างกายของพระองค์ก็ยังมีอยู่มันจะชนะได้อย่างไงหมายความว่าพระองค์ไม่ยึดไม่เข้าไปยึดในร่างกายนะั้นขันนะั้นไม่ขันห้าที่อธิบายมานั่น่ะมานห้าที่อธิบายมาพระองค์ชนะได้ด้วยการไม่เข้าไปยึดถือ มันเป็นไปตามเรื่องของมาท่านอธิบายแล้วอย่างเรื่องชนะเรื่องชนะมาที่จะชนะมาได้ที่จะนาเห็นอนิจจังทุก ข, งขงาาังอนัตตาก็เป็นเรื่องชนะมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมก็เรียกว่าชนะมารได้ เราพิจารณาตัวของเราเป็นขันไอเป็นธาตุสี่ก็เป็นเครื่องชนะมานได้ลองดูถ้าหากว่าเป็นธาตุสี่แล้วที่มีอตัวของเราเนี่ยแหละมีธาตุสี่เท่านั้นแ่ละไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลไม่ใช่อะไรทั้งหมดเป็นได้เพียงธาตุสี่เท่านั้นน่ะเกิดที่ระดับอะไรจเกิดที่ระดับไห เมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปงานจะไปยึดอะไรมาไม่มีเครื่องยึดยึดมันก็ไม่อยู่ในอนาจของตอนอฉะนั้นเรียกว่าอน้าตาที่เกี่ยวพันกันงดพิจารณาถึงกรรมพิจารณาถึงธาตุสี่เกี่ยวพันกันเสมอลงอนัตตาเดียวกันในศาสนาพุทธเจ้าสอนลดอนัตตา อันนี้แจงทุกขงังนั้นมีแล้วแต่ก่อนพุทธการก็เคยมีคนทั้งหลายก็พิจารณาอันนี้แจงทุกขังนัน้นนั้นเห็นได้ง่ายส่วนนักต า, านี่มันเห็นได้ยาก ท, ท, ทั้งๆที่ปรากฏอยู่แต่ไม่เห็นก็ควมไปยึดอันเดียว อันนี้จึงเรียกว่ามาไอ้ที่เรียกว่ามานห่าผู้ใจผู้จัดตั้งไอ้ผู้จะไม่คล้องถึงเรื่องมานก็โดยการทําจิตตนเอ้สงบดังเทติบาลและเรื่อย่างนี้ เราสำรวมใจของเราคนเดียวตอนนี้แล้วจะไม่กระทบกระเทือนถึงเรื่องโลกทั้งหมดต่างคนต่างสำรวมด้วยการทั้งหมดแล้วก็เลยอยู่เขตประเทศของใครของมันทางนั้นไม่มีการเบียเดเบียนซึ่งกันใจในมันของสาคัญทุกคนหากสำรวมใจทั้งตนได้แล้ว รักษาบ้านเมืองประเทศชาติเองตลอดมดจะรักษาได้ยังไงต้องมารักษาใจของเราแหละพอรักษาได้แล้วสิไม่เบียดเบีย e นสะิไม่เบียดเบียน e สิการเมืองคนไม่มีเบียดเบียน e สิกันในกันคนเราถ้าหากคนหนึ่งซะในหมู่ สักร้อยสักพันคนสัมรวมใจคนเดียวได้คนอื่นเมื่อก่อนมันเม่แน่นกก็ไว้อย่างเช่ก่อนคนอื่นจะสัมรวมกันพระพุทธเจ้าต้องสอนให้สัมรวมคนเดียวทุกทุกคนฟังคำคำสั่งพระพุทธเจ้าและมีการสัรวมใจด้วยกันทั้งนั้นสัมรวมใจของตนไม่ได้แล้วเป็นเหตุให วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระเทือนเบียดเบียนพิลาค่ะเหตุต น, น, นั้นแหละการสารวจใจส่่นของดีมากเมื่อใจของเราสงบอยู่นิ่งคนอื่นมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะเราลักษาตดวงเราไวส้สะกก่อนโลกอันนี้มันจะยุ่งสักเท่าไรก็ยุ่งไปเถอะ แต่ตัวของเราคนเดียวไม่ยุ่งในขณะที่โลกยุ่งมากๆเราต้องเข้าหาตัวของเราเราไปยุ่งกับเขาตัวของเราไม่รักษาความสงมบโลกทั้งหลายแตกกระจายมดทั้งโลกเมื่อเราก็แตกไปต่างเรารักษาความสงบคนเดียวเท่านั้นน่โลกมันแตกกระจายไปเตอะวุ่นวายไปเตอะ เราสงบคนเดียวได้ชื่อว่าทำประโยชน์นนแก่ตนพระพุทธเจ้าก็อเทศในพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งวิทูธภพะไปลบพวกศักี่จะลนาต้องการจะให้ให้วิทูรทาะรับจกักเทศนาสั่งสอน อยู่กลางทางไปยุทดักอยู่กลางทางเทศนาตั่งสอนดวยวิวัน์เงียบผ่าต่างๆตั้งสองหนหนที่สามนี่ก็เลยไม่ไปเพราะกรรมของเขามันจำเป็นแล้วเมื่อกรรมถึงแล้วพวกนั้นมันได้ทำกรรมไว้มันจะหลีเลี่ยงไม่พ้นทำไม่ไงก็ไม่หลีเลี่ยงผล พ ร, รองค์เลยทอดธุระเลยพรงเทศนาว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เวยีเวยดเบียนซึ่งกันเดีกันเราอยู่เป็นสุขหนอมนุษย์ทั้งหลายเป็นเวรซึ่งกันเดีกันเราอยู่เป็นสุขดีนำเข้ามาหาตัวนักปราชญ์ทั้งหลาย ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องวุ่นกับเขาในเมื่อปกติดีๆแล้วก็ทําอย่างนี้แหละแล้วก็ทํำไปครับโลกกับบ้านกับเมืองนี่แหละอย่างที่เราทําส่งข้อสัองหายช่วยสั่งนั้นสนี้แล้วมันจะทำไปเป็นหลักฐานมั่นคงของเรามีไว้ต่างหากเมื่อถึงที่สุดช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องกลักเข้ามาหาตัวของเรา ต้องมีหลักอย่างนั้น <c oughs> ทําเสื้อประโยชน์คนอื่นท่ายเดียวไม่ได้คนเรามีกิเลสเมื่อทำประโยชน์ในการคนอื่นกระทบกระเทือนเดือดร้อนขึ้นมาจิตเลยไม่อยู่จิตจะเดือดร้อนเราก็พอเดือดร้อนไปด้วยเขาเลยไม่ดีดจิตของเราไม่ดี จิตกระซกระซายเดี๋ยวร้อนบุ่นบายก็สงบหมดความดีของเราเลยหมดถ่าเลยเลยหมดไปเรนั้นความสงบอาการที่เข้าถึงใจนี่เป็นของสาคัญที่ทุกฮัร์ดที่ไม่เข้าถึงใจได้เรื่องความปวดเรื่องจิตทั้งนั้นน่ยมันตรงมันแฉมคิดมันนึ ก, กนอะไรต่างๆไปตามอาการเข้ามาเน่ยเป็นเรื่องจิตทั้งหมด ทั้งเข้าทั้งใจทั้งเรื่องของเราจงให้เข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติพุทธศาสนาิ่งจ่ถูกทางพุดจ้าทั้งสอง